แบบโลกกําแบบธรรมผิดกันอยู่มากแบบโลกนัน้นหมายถึงเรื่องเป็นไปตามภาษีภาษาความรู้ความเห็นการแสดงออกทุกแง่ทุกมุมซึ่งมีกิเลสเป็นเครื่องควบคุม ให้เป็นไปโดยไม่ได้สำนึกว่าผิดถูกชั่วดีประการใดนี่เป็นแม่ของโลกแม่ของธรรมต้องใช้ความครยครวน พ, พินิจพิจารณาก่อนจะแสดงออก แม้ความคิดทางด้านจิตใจก็ต้องระมัดระวังว่าผิดถูกมีชั่วประการใดควรคิดหรือควรระงรับควรดักควรงดเว้นวาจากายการแสดงออกตาความตระพนมีเหตุมีผลเป็นเครื่อง อย่างตนให้มีความลาบลื่นดีงามอันเป็นผลฝ่ายธรรมติดต่อหยืบเนื่องกับการระบายออกไปเรื่อยๆนี่คือแง่ของธรรมธรรมผู้ประพฤติธปฏิบัติธรรมเป็นคนดีมีใจสะอาดขึ้นไปโดยลงดับกายวาจาก็ สะอาดสวยงามต่างกันอย่างนี้โลกทั้งโลกเราอยากจะพูดว่าร้อยทั้งร้อยแห่งการแสดงออกของโลกที่ไม่ได้สนใจในถังด้วนแล้วตั้งแต่เป็นการแสดงออก เพราะอำนาจของกีเลสเป็นผู้บงการให้แสดงออกมาจะ แ, แสดงความยิ้มแยแ้มแจ่มใสแสดงการหัวเราะซึ่งเป็นสิ่งที่โลกยินดีก็ตาแต่ก็ไม่พ้นจากเรื่องของกิเลสไปจนได้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 สิ่งที่พาให้แสดงออกนั้นมาจากเรื่องอะไรพาให้แสดงออกเพราะไม่มีเครื่องวัดเครื่องตวงเครื่องทดสอบกันการพูดทั้งนี้ไม่ได้ประมาทโลกเล่าพูดตามหลักความจริงเพราะเราก็อยู่ในโลกและดูเคยอยู่ใต้าอานาจของกิเลสมานานเช่นเดียวกัน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 เป็นเจ้านาฏบนหัวใจของสัตว์โลกมากและเป็นมานานเพียงไรในดวงใจแต่และดวงละดวงนั้นไม่มีใจดวงใดที่จะเป็นอิสระเสรีภายในตนเพราะไม่ถูกกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่นั้นเลยเมื่อเป็นเช่นนั้นการกระดิษคิกแพปงเคลื่อนไหวไตมาในอากับจียาใดๆก็ตาม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 ก็ต้องเป็นไปตามนั้นโดยไม่มีความเฉียวใจว่าสิ่ง น, นี้ผิดหรือสิ่ง น, นั้นผิดหรือนี้เป็นประการใดจริงต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีความเฉียวใจเพราะสิ่งนั้นดึกหลับอยู่ฉากหลังตาของเราก็มองไปข้างหน้าไม่ได้มองย้อนหลังได้ จึงไม่สามารถที่จะทราบเรื่องของกิเลสที่อยู่ฉากหลังได้ส่วนธรรมะสามารถมองย้อนหลังได้คือปัญญานะเราไม่กราบพระพุทธเจ้าได้ลงคอก็แสดงว่าคนนั้นหมดคุณค่าเหียจริงๆเหลือแต่ร่างร่างมนุษย์เท่านั้น ที่ว่าเป็นคนกับโลกเขาเพราะใหเพราะคนทั้งสามโลกกระถาสัตว์ทั้งสามโลกกระถานี้ไม่มีใครที่จะรื้อฟื้นขุดคน้นทั้งฝ่ายกิเลสประเภทต่างๆทั้งมวลพูดง่ายๆและทรรมต่างแต่ขั้นพื้นพื้นถึงธรรม จนถึงขั้นสูงสุดวิมุตเป็นธรรมวิเศษธรรมประเสริฐขึ้นมาให้โลกได้เห็นก่อนที่โลกจะได้เห็นก็คือพระพุทธเจ้าทรงพบทรงเห็นประจักษ์พระไทยมาก่อนทั้งเหตุคือวิธีการขุดขคลนคุ้ยเฉียทำลาย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 บำรุงรักษาขึ้นมาจนกระทั่งถึงเจริญเต็มที่หาที่เจริญยิ่งกว่านั้นไปอีกไม่ได้แล้วได้แก่ทาดวงวิเศษติด ป, ปรากฏขึ้นแล้วในพระไทยกลายเป็นพระไทยที่บริสุทธิ์อุท้นจากสิ่งกดทวงหรือเจ้ามหาอำนาจวัฏจักรโดยประการทั้งปวง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 มีศาสตราองค์เดียวนี้เท่านั้นเป็นผู้ทรงค้นพบแล้วนำมาสั่งสอนโลกให้รู้เรื่องรู้รามาจงระทั่งทุกวันนี้ที่นี่ผู้ไม่ได้สนใจในศาสนธรรมอันประเสริฐและเป็นความจริงสุดส่วนนี้บ้างเลยก็คือว่าเกิดมาเสียชาติ มีแต่ร่างมนุษย์ติดตัวอยู่เท่านั้นหาความหมายหรือสาระคุณ ใ, ใดๆไม่มีในร่างกายและจิตใจของผู้นั้นเลยเรียกว่าขาดทุนศูนย์ดอกมีตั้งแต่นับตะวันเกิดมาอาการเคลื่อนไหวทุกแง่ทุกมุม จนกระทั่งถึงวันตายมีแต่ถูกฝ่ายวิเลศฝ่ายต่ำแต่มันเหนือจิตใจของสัตว์โลกละเอียดแล้มคมมีอำนาจมากกว่าจิตใจสัตว์โลกจูงไปทุกแง่ทุกมุมทุกแห่งทุกหนทุกอากัปกิริยาไม่มีความรู้สึกตัวบ้างเลยเพราะฉะนั้นคนเราจึงสร้างบาปได้ ลุกอำนาจแก้เหตุผลไปได้อย่างไม่ละอายเพราะอำนาจของกิเลสตัวให้พาลุอำนาจนั้นมันมากเกินกว่าที่เราจะระลึกรู้ในสิ่งต่างๆว่าผิดหรือถูกประการใดกว่าจะรู้ตัวก็สายเกินการใช่แล้ว ตายทิ้งไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อันใดเลยผิดกับผู้ที่มีความครายความสนใจธรรมะอยู่มากมายทีเดียวนี่จะพอ้อย่างยิ่งเราทั้งหลายได้ผ่านคำที่กล่าวว่าโมคะโมคะในร่างแห่งมนุษย์นั้นมาแล้วได้มาบวชในพระพุทธศาสนานับถือพุทธศาสนา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 จะไม่ปรากฏที่ไหนสถานที่อยู่สถานที่เกิดแห่งบาปและบุญคือใจเป็นลงโรงงานอันสัมผัสผิดกันขึ้นมาที่นั่นผู้ที่จะพิสูจน์ถึงเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องคุณและโทษก็คือสติปัญญาโดยภาคปฏิบัติ เมื่อได้พิสูตน์ด้วยหลักกิตตะภาวนาดังพระพุทธิ้าสทรงเคยพิสูตนมาแล้วจนเห็นผลประจับผู้นั้นย่อมจะทราบได้ชัดเจนไปโดยลำดับในเรื่องบุญและบาปว่าเกิดขึ้นจากสถานที่ใดและอยู่สถานที่ใดใครเป็นผู้รับเคราะห์กรรมแห่งบาปนั้น และใครเป็นผู้ที่จะเสวยผลแห่งบุญอันเป็นความดีความชอบของตนที่ได้ปฏิบัติมานั้นถ้าไม่ใช่ใจจะเป็นอะไรไปนี่จะเป็นที่แน่ใจสำหรับผู้ปฏิบัติการเรียนรู้ตามหลักวิชาตำรับตำนาท่านเป็นนั้นเป็นแต่เพียงความคาดความหมายความจำหรือเป็นคุยหมายป้ายทางไว้เท่านั้น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 ในสามโลกธาตุนี้ที่สามารถรู้ได้ทั้งบาปบุญคุณโทษต่างๆแต่พอาะอย่างยิ่งตัวกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดสุ ข, ขุมมากเกินกว่าสามัญชนเราจะทราบได้พระพุทธเจ้าทรงทราบได้หมดหุดคุ้ยขึ้นมาให้โลกได้เห็นได้รู้เรื่องรู้ราว สิ่งที่ควรละให้ได้ละอย่างเต็มใจเต็มความสามารถสิ่งที่ควรจะบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นภายในตนอันเป็นส่วนคุณเป็นส่วนคุณก็ให้ได้พยายามบำเพ็ญเต็มคติกำลังความสามารถของตนไม่มีแง่ที่สงสัยดังท่านกล่าวไว้แล้วว่าสวาคาตะธรรม ตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งใดไม่มีพระพุทธเจ้าไม่อุตริมาสอนโลกไม่อุตริมาหลอกลวงโลกเพราะศาสดาองค์เอกจะลวงโลกได้อย่างไรเป็นผู้บริสุทธิ์สะอาดใครจะสุบริสุทธิ์สะอาดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ากับพระหัต์ทั้งหลาย จะนำของปลอมมาหลอกโลกได้อย่างไรเพราะในพระไทยมีแต่ของจริงของประเสริฐล้วนๆวนจเจ้าสิ่งจอมปลอมมาหลอกลวงโลกนั้นสมกับความเป็นศาสตราเอกของโลกได้อย่างไรไม่เหมาะสมกันพระองค์ทรงขยะกแย้งสิ่งที่จบกระปกสมมุมอยู่แล้วเหตุใดจะเอาสิ่งสบกรปรงสมมุมมาหลอกลวงโลกละ่ะ นี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรัสไว้อย่างไรจรึงตรัสไว้ตามความจริงของสิ่งนั้นๆที่มีอยู่จะเป็นฝ่ายดีก็าตามฝ่ายชั่วกว็าตามเช่นบาปบุญนี่ฝ่ายดีฝ่ายชั่วนรกฝ่ายชั่วสวรรค์ฝ่ายดีพรมโลกนิพานเป็นฝ่ายดีและฝ่ายดีเยี่ยมเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้า ผู้ทรงโลกาวิทูรู้แจ้งเห็นจริงในโลกทั้งสามนี้ได้ทรงรู้ทรงเห็นประจักษ์ประทยมาแล้วจึงได้นำสิ่งเหล่านี้มาสั่งสอนสาติโลกให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วปฏิพฤติปฏิบัติตามเฉพาะอย่างยิ่งกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใ จ, จซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับมากที่สุดไม่มีอะไรลึกลับเกินกว่า กิเลสนี้ไปได้นอกจากธรรมเท่านั้นที่จะละเอียดหรือแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสทุกประเภทไจึงได้นำธรรมนั้นมาสั่งสอนสารโลกโดยอุบายวิธีต่างๆเพื่อแก้กิเลสซึ่งเป็นสิ่งที่ดึกดำแหลมคมนี้สรุปความลงแล้วว่ามัชชิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมอย่างยิ่งตลอดการ ในการปราบปรามกิเลสทุกร ป, ประเภทไม่มีกิเลสตัวใดที่จะเหนือขอเหนืออำนาจของธรรมมีสติปัญญาธรรมเป็นต้นไปได้เลยนี่หลักใหญ่อยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติให้พึงเลงตามเข็มทิศทางเดินที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านดำเนินมา ไม่ว่าสถานที่อยู่ไม่ว่าจตุปจัจจัยทยทานทั้งกี่การบริโภคขบฉันที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆให้พึงคำหนึ่งถึงองศาสดาและสาวกทั้นเสมออย่าให้เป็นความฟุม่งเฟอเ้อเหมิมลืมเนื้อลืมตัวอันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งเผ่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 ซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากยิ่งกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นไหนๆจึงต้องทำความรู้สึกตัวอยู่เสมอท่านอยู่อย่างไรพระพุทธเจ้าและสาวกท่านอยู่ด้วยความเกลีกลิ่นวุ่นวายกับเพื่อนฝูงชายหญิงญาติโยมหรือหรือท่านอยู่ด้วยความสงบเตรียมท่าเตรียมทาง ด้วยความเป็นผู้มีสติอยู่ตลอดเวลาหรือท่านอยู่ด้วยความหลงงมงายนี่ให้เรานำสิ่งเหล่านี้มาเป็นเครื่องยืนยันมาเป็นแนวทางมาเป็นเครื่องยึดจิตใจของเราจะได้ยึดสิ่งนั้นดำเนินไปการใช้สอยท่านท้าอ ย, ย่างไง การขกบฉันท่านขคบฉันอย่างไรผู้เลี้ยงง่ายคือใครก็คือลูกศิษปรถาคตนับแต่องค์ศาสดาลงมามิสาวกตลอดกนนยาณภิกษุทั้งหลายที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าด้วยปฏิปทาอันเหมาะสมงดงาม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 สิ่งที่กล่าวมาอันเป็นโลกามิษนีเลยเพียงเป็นเครื่องอาศัยเล็กน้อยเท่านั้นพอยังชีวิตอัตภาพให้เป็นไปแต่ใจกับธรรมมีความสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เสมอเพื่อการถอดถอนที่เลสหรือเตรียมฆ่ากิเลสอยู่ตลอดเวลาด้วยความภาคเกลียนของตนนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้า ความเป็นอยู่ของศาสดาก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดทางความเป็นอยู่ของพาาระหันท่านก็เป็นอยู่ด้วยความหมดจดและเป็นเนติแบบฉมับอันดีงามแก่ผู้ที่ต้องการจะหักวัตจักรวัตจิตที่เกเรศพาหมุนเวียนอยู่นี้ ให้ขาดสะบั้นลงไปโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ท่านพาดำเนินอันได้เป็นสิ่งที่ได้ผลมาแล้วนี่คือหลักสำคัญอยู่ที่ไหนอย่าให้ปราศจากสติสติเป็นสิ่งสำคัญมากพูดแล้วพูดเล่ายําแล้วยําเล่าไม่เคยละเพราะเป็นธรรมจำเป็นอย่างยี่ในการแก้กิเลสทุกประเภท ธาตแต่นั่นก็คือปัญญาความสอดส่องมองทะลุที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาดังที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างนะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก ป, ปนั่นแลคือองค์ปัญญาองค์แห่งความเฉลียวฉลาดที่เกิเยดหวาดกลัวมากที่สุดสัมมาสตินสามประเภทนี้ กิเลสกลัวมากที่สุดสัมมาติสติสัมมาสังกโปสัมมาสตินะแล้วสัมมาสมาธิเพราะมิจฉาสมาธิก็มีกิเลสกลัวมากสำมากรรมมันตะหรือสัมมาวาจากราวแต่เรื่องจะฆ่ากิเลสชำระกิเลสซักฟอกกิเลสออกจากใจ เป็นเครื่องรื่นเริงซึ่งกันกัน์เวลาสนทนาธรรมะการกระทำก็ไม่ถอยถึงเรื่องความเพียรไม่ว่าจะทำด้วยการเดินจงกรมทำด้วยการนั่งสมาธิทำด้วยการพินิษพิจณาอยู่ภายในจิตใจด้วนแล้วตั้งแต่เป็นวิธีการของการฆ่ากิเลส ข, ของนักต่อสู้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 ยังระตะเกียกตะกายความภาคเพียรเพื่อแก้กิเลสทําไมจึงจะเห็นว่าเป็นความทุกข์ความลำบากถ้าอย่างนั้นก็ถูกกิเลสจูงเข้าสู่ความเกิดแก่เจ็บตายไม่มีเวลาหยุดยั้งไม่มีต้นสาตายเหตุหรือไม่มีต้นมีปลายแห่งทางออกของเราได้เลยต้องเป็นผู้หนักแน่นต้องเป็นผู้จริงจัง เรื่องของธรรมเป็นเรื่องหนักแน่นเป็นเรื่องจริงจังเพราะเรื่องของธรรมเป็นเรื่องเป็นคู่ปรับกับกิเลสเป็นเครื่องฆ่ากิเลสเครื่องทําลายกิเลส จ, จะไปอ่อนแอให้กิเลสมาเหยียบย่ําทําลายธรรมและในขณะเดียวกันก็เหยียบย่ำตนทําลายตนด้วยได้อย่างไรเราเป็นนักโพธิเราเป็นนักลบในสงครามระหว่างกิเลสกับธรรมธรรม เป็นเครื่องมือยาปล่อยเครื่องมืออยาบททั้งสี่ยืนเดินนั่งนอนให้มือมือกับเครื่องมือนั้นติดแนบสนิทกันสติกับปัญญาเป็นสำคัญอาทุกข์ให้ทุกไปเราเคยทุกเพราะอำนาจของกิเลสเหยียบจ้ำทาลายมานี้ทุกจนเหลือตัวท่าว่าเป็นสิ่งที่เหลือ ไม่มีที่ไรเก็บแล้วเพราะชาติไหนชาติไม่ถูกชาติปิตุขานำขึ้นพร้อมกันแล้วเห็นไหมชราปิตุกขาเนี่ยชาติความเกิดก็บ่งบอกแล้วว่าทุกติดมาพร้อมแล้วชราความแก่ทุกก็ติดอยู่แล้วชราปิตุขานชาติปิตุกขาชราปิตุขามรนามปิตุก ข, ข, ข, ขัง ก่อนที่จะขาดใจตายลงไปก็ทูกความทุกบีบคั้นจนทนไม่ได้ตายไปนี่นี่แหละแถวแนวของเกือแถวแนวของทุกทุกมาไม่รู้กี่กับกี่กันแล้วนับได้หรือไม่ได้ก็ตามเอาใจดวงที่เป็นนักโทษ ให้ทุกหยับย่ำทำลายตลอดมาซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันในตัวของเรานี่แหละเป็นเครื่องยืนหยัดไม่มีอันใดท่าให้สับโลกเกิดมีแต่ใจดวงนี้กับเชือ้อคือพืชอันสำคัญของกิเลสได้แก่อวิชานี้เท่านั้นเป็นตัวผักใสสับโลกให้เกิดแจกิจิตาอยู่ไม่หยุดไม่ถอย นอกจากนั้นก็เป็นวิบาสที่แฝงกันไปให้ดีบ้างชั่วบ้างสุขบ้างทุกบา้างยังไรก็ไม่พ้นเรื่องความทุกข์อันเป็นผลมาจากกิเลสตุนได้ทุกขนาดไหนที่เคยเกิกิเลส เ, เคยผิดเหยียบย่ำทำลายเรามา ถ้าเป็นสิ่งที่เป็นผุยผงก็เป็นผุยผงแล้วในร่างกายของเราเวลานี้มันทุกขนะ์มาเท่าไหร่แล้วตั้งแต่วันเกิดมาถึงปัจจุบันนี้<ม>เคยทุกข์เรื่องอะไรบ้างเจยบคข้ได้ปวดเจ็บหัวตัวร้อนเป็นสิ่งที่ปรารถนามเมื่อไหร่บางครั้งถึงกับสลบเฉลยในอัตภาพนี้แหละรอดตายมาได้เวลานี้ได้มาบาเพ็ญพรมาจันร์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 ขึ้นมาพานทิมแทงจิตใจของเราอยู่ไรนี่นี่คือตัวม่านตัวค่าศึกตัวไม่ให้มองเห็นมรรคผลผนิพานก็คือกิเลสนั่นเองมันปิดมันบังเอาไว้สําลอกปอกมันออกไปกิเลสประเภทนี้หลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีแห่งความเปลี่ยนประเภทนั้นกิเลสประเภทนั้นหลุดลอยออกไปด้วยอุบายวิธีความเปลี่ยนนั้นหลุดลอออกไปด้วยวิธีนั้น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 ไม่เป็นกังวลกับสิ่งนี้เป็นแต่เพียงรับทราบเรื่องความสุขความทุกข์เกิดขึ้นภายในร่างกายนี้เท่านั้นไม่มีอะไรที่จะเข้าไปเหยียบย่ทำทําลายจิกใจของท่านให้โอนให้เอ็นให้ล้มละลายไปเหมือนอย่างใจของปุถุชนทั้งหลายผิดกันที่ตรงนี้นี่แหละเมื่อกิเลสมันหลดไปหมดแล้วไม่มีอันใดเห็นได้ชัดชัดกู้ได้ชัดชัด ถ้าจะไม่เอถ้าโลกนี้มันไม่มีแต่คนบ้าแล้วเราพูดได้าชาัดๆว่านี่คือนิพพานรู้ไหมว่าอย่างนั้นหรือก็ได้แต่โลกปัจจุบันนี้มันบ้ามากแต่พูดอย่างนั้นไม่ได้อืมจะเสริมคนให้เป็นบ้านหนักขึ้นเพราะว่าโอ้ไอ้นี่มันจะกําลังจะเป็นบ้านำบ้านนิพพ า, านอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยตัวมันเป็นบ้ามันไม่ได้ว่าอืมเพราะกิเลส มันต้องตำหนิทำมันต้องเหยียบ ย, าย่าทเหยียบย่าทำลายทำมันมีอยู่ในหัวใจผู้ใดมันต้องเป็ น, นอย่างนั้นจนได้เพราะฉะนั้นจึงต้องระวังเพื่อไม่ให้มันเกิดโทษเกิดภัยแก่ผู้ใดอีกนักปราท่านจริงคมในฝักท่านไม่แสดงออกมารู้อย่างเต็มใจก็ให้รู้อยู่นั้นเพราะธรรมชาตินี้ไม่มีความหิวความกระหายอัดอั้นตันใจอยากพูดอยากจาอยากพร่ำนุ่พร่ำนี้น ความอยากเป็นยีเร่ความอยากเป็นความบกพร่องความหิวกระหายความไม่พอจึงต้องอยากเมื่อพอแล้วไม่ต้องอยากนี่แหละเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าไปคิดให้เสียไปล่ำเวลานอกจากวงสัจธรรมทั้งสี่วงนี้เป็นสําคัญทุกข์กับสมูทยัยนี่เป็นเครื่องปิดบงังจิตใจอันจะ เป็นนิพพานทั้งเป็นให้มองไม่เห็นมักมีสี ส, สมาธิปัญญาสรุปลงแล้วเป็นต้นนี่เป็นเครื่องบุกเบิกเป็น เ, เป็นเครื่องปัดกวาดปกวากพวกน้ำสิ่งที่โรคปรุงลงังพาในจิตใจออกโดยลำดับลาดับลาดับลาดับนิโรธเป็นเพียงกิริยา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 แล้วนี่พานอยู่ที่ไหนนี่พานอยู่ที่นั่นที่นี่ได้ยังไงถ้าหมดปัญหาแล้วรู้หมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี่เอาตรงนี้ความจริงอยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตามลมๆแล้งๆยาป้าไปตื่นเงาอเอาให้จริงให้จังคําพูดเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายจําไว้ด้วยการปฏิบัติของท่านทั้งหลายเองเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าท้ออย่าถอย คำพูดเชนนี้แม้ผมตายไปแล้วกี่ปีกี่เดือนท่านทั้งหลายจะกระเทืนหัวใจทันผีในเมื่อในปฏิบัติให้เห็นตามที่กล่าวมาแล้วนี้ตายผมตายไปกี่ปีก็ต่างคำพูดนี้จะกังวาลอยู่ในหัวใจของท่านทั้งหลายที่ทรงทมประเพทนันไว้โดยหาที่ค้านมาได้นอกจากจะกราบ คำพูดนี้เท่านั้นเพราะเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าไม่กราบได้อย่างไรเป็นของจริงเต็มส่วนสันพิธีโกมีอยู่ที่ไหนมีอยู่กับผู้ปฏิบตัติเอาให้จริงให้จําผมมีความเป็นห่วงหมู่เพื่อนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเคยพูดแล้วพูดเล่าอยู่เสมอเป็นด้วยภายในจิตใจจริงๆเพราะเวลานี้กําลัง น้อยหลอเข้ามาทุกวันทุกวันผู้ที่จะส่อแสวงหาอัดหาธรรมในความเป็นนักบวชนี้มีน้อยมากตามหลักสากลนิยมโลกชาวพุทธเขานิยมกันว่าพระบวชมาเพื่อชำระศาสฐารกิเลสแต่เวลานี้ไม่ว่าท่านว่าเรามันกลายเป็นบวชมาสั่งสมกิเลสอาศัยเพศแห่งความเป็นพระ นี้เป็นตัวเป็นเหตุให้สังสมกิเดศได้อย่างลึกลับไม่รู้สึกตัวนี่แหละเป็นหลักสำคัญอันนะัออ้นนานยาวยาให้เป็นเช่นนั้นอันในเป็นกิเดศตัตดออกตัดออกยาเสียดายกิเดศเป็นยาพิษไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่าเสียดายเป็นฝากเป็นหนามน่าเสียดายที่ตรงไหนทาต่างหากที่จะให คุณให้ประโยชน์ให้ความสุขความจเจริญตั้งแต่ขั้นต่ำจนถึงขั้นสุดยอดแห่งความสุขความจเจริญทมนี้ต่างหากเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสประเภทต่างๆพอที่จะให้เราเสียดายมาันอย่าเสียดายเอาเดินลงไปเดินจงกรมจิตกับสติให้ติดแนบกันเวลาจะททำสมาธิ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 เป็นเดนให้กิเลสเหยียบย่ทำทําลายขี่รถอยู่ได้แหละประเสริฐกันไปนหมดถ้าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นของประเสริฐทำต่างหากระเสริเพราะฉะนั้นจงรักจงสงวนในธรรมจงฝืนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเป็นของเดนของทิ้งของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเลยแล้วอย่าไปเสียดายเอามาลิมมารีอะไรเกิดประโยชน์อะไร ก็ให้จริงจังลงที่ตรงนั้นเวลาทำสมาธิก็ให้เป็นสมาธิอย่าเสียดายอารมณ์ต่างๆที่มันจะคิดจะปรุงว่าภาพตื่นเงาตัวเองออกไปมันแนวลงไปด้วยความมีสติสืบเนื่องกันโดยลำดับเอะเป็นก็เป็นตายก็ตายในขาะนั้นไม่เสียดายอะไรนอกจากคาบริกรรมกับจิตกับสติที่สัมพันธ์สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่เท่านั้นมีอันหนึ่ง ผู้ที่เคยกาหนดพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นทํานองเดียวกันนี้ตรงไหนที่จิตมีความดูดดืม่มดูดดื่มด้วยเหตุผลกลไกอะไรถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะดูดดื่มเพื่อความเป็นธรรมถ้าสติปัญญายังไม่ทันกิเลสยิ่งน่ากว่ามันจะดูดดื่มไปทางฝ่ายกิเลสกิเลสจะเป็นแม่เหล็กมีกําลังมากกว่าด้านธรรมะก็ให้ฝ่าฝืน การต่อสู้กันจนคลี่คลาออกไปจนเห็นเหตุเห็ผลเห็นแจ้งชัดเจนตามความจริงด้วยปัญญาแล้วกิจจดหายสงสัยและถอนตัวเข้ามาโดยลํำดับตาดาไม่ว่ารูปเคียงตินนรสเครื่องสัมผัสจนกระทั่งเข้ามาในรูปกายของเรานี้อันไหนไเป็นตัวของเราดูให้ดีดูตามความจริงเราอย่าดูแบบยิ่งเลดจุงจมูกไปยิ่เล็ดมันจุงจมูกว่า หนังนี่เป็นเราเนื้อเป็นเราเอเ็น ก, ก็เป็นเรากะดูกเป็นเราเป็นของเราน่ารักใครชอบใจแม้ที่สุดมูดพูดเต็มอยู่ในร่างกายนี้กิเลสก็เสกสรรปัญญ้นยอหลอกว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นสิ่งที่รักสงวนทั้งหมดนี่คือสิ่งจอมปลอม มันปักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมเราหลงมันเสียทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่เราจะมีทางเลือก ต, อต่อได้เพราะคนมายาของจีดิตมันแหลมคมยิ่งกว่าเราด้วยเหตุนี้จงจงใช้ปัญญาเข้าวินิจฉัยใต่สวนพินิจพิจารณาหนังนี่มันเป็นยังไงอ่ยกหนังนี่เป็นต้นดูให้ดีหนังข้างนอกข้างใน ข้างนอกก right? ็มีแต่ขี้เหนือกขี้ใครเต็มไปหมดแล้วข้างบนข้างล่างมีตรงไหนที่สะอาดสะอ้านน่ารักน่าังหน้าเป็นเราเป็นของเรามีที่ตรงไหนดูเข้าไปข้างในหนังเป็นยังไงอีกเข้าไปเนื้อเอ็นก็ดูดูเข้าไปมีตั้งแต่ของปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดทั้งล่างเหตุใดจึงไม่ละอายตัวเองหรือละอายทำของพระเจ้าบ้างเหรอ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 ถ้าเจนตามหลักความจริงทั้งฝ่ายอสุภะทั้งเรื่องอนิจจังทุกขังอาตากรมคืนเป็นหนึ่งอันเดียวกันอย่างประจักษ์แล้วไม่ต้องบอกปล่อยเองเมื่อหายหลงแล้วก็ไม่ยึดความยึดเป็นผลของความหลงความหลงเป็นเหตุความหลงก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่งความยึดก็เป็นกิเลสประเภทหนึ่ง เมื่อถอนต้นเหตุแห่งความหลงด้วยสติปัญญาด้วยดีแล้วความหลงก็กลายเป็นความรู้ขึ้นมาความยึดมั่นถือมั่นก็ถอนตัวออกมานั่นเมื่อถอนออกมาแล้วทาไมจะไม่ดีดขึ้นล่ะอิดะพูดถึงเรื่องเวทนาเอาพูดถึงเวทนาทางกายก่อนมันมีความสุขความทุกข์ เ, เฉย แล้วเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดเกิดแล้วดับอยู่อย่างนี้ตลอดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบันนี้มันเป็นเราเป็นของเหล่าที่ตรงไหนเรื่องเกิดเกิดดับดับดับปิดซึ่งไม่ใช่เป็นของเกิดดับมันเป็นอันเดียวกันนั่นเหรอดูให้สัญญามันซึบ อ, ออกไปเหมือนกับพืบนครานออกไป อยละเอียดละออแไปปรากฏภาพนั่นภาพนี่ขึ้นมาสังขารก็ปรุงไปต่ามหนีก็หลงเงาตัวเองสิ่งล่านี้มีแต่อาการของจิตมีแต่เงาของจิตออกมาจากเรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกําลังเป็นเจ้าของเวลานั้นแสดงอาการใดออกมาเป็นคนมายาของกิเลสท่าแสดงมาเท่งนั้น แ่กิเลสอันเป็นของจงอมปลอมนั้นด้วยปัญญาให้เห็นชอบตามความจริงว่านี่เพียงสัต์แต่ว่าเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณเท่านั้นเป็นอาการหนึ่งหนึ่งเป็นเงาของมันเท่านั้นดูให้เห็นชัดเจนเมื่อชัดเจนแล้วมันจะยึดสุขทุกข์เฉยๆนั้นว่าเป็นเราได้อย่างไรจะยึดสัญญาสัญญาส้งขานวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของเราได้ ทานมาตั้งแต่รูกเขียนกลิ่นลดเครื่องสัมผัดช้ำพัน ต, ะ ต, ะตะ่างๆเอ้ยมาโดยลําดับ ด, ด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามาตีเข้าเ้ามาพิเรศหาที่ดกสัมามนาเข้ามาถู่ร่างกายก็รือร่างกายนี้ออกให้เห็นทุกสับทุกส่ ว, ส ว, สวเนเมื่อหนังเอ็นกระดูกตับไตไส้ติ่มเอาเอาอกให้แหลกแตกกระจายไปถึงขั้นความจริงทุกอย่างทุกอย่างพิเรศตัวมันปลอมมันจะอยู่กับความจริงได้อย่างไรเพราะความจริงเป็นถรรม ความจำปลอมเป็นเรื่องของกิเลสมันจะสู้ทำได้อย่างไงมันต้องหลบหลีกไปตรงไหนไปหลบซ่อนอยู่ตรงไหนเวทนาสัญญาสั้งขาวิญญาณสติปัญญาตีต้อนเข้าไปโดยลดับลำดั บ, ห, บหาที่อยู่ไม่ได้มันก็หดตัวเข้าไปสูใจแหน่เรีว่าอย่างไงถ้าติปัญญาฟาดกันลงไปตรงนั้นอีกเข้าไปที่าจนั้น ม, มันจะแสดงเป็นความอาถรรพเป็น ความสง่าพาเผยเป็นความสุดใสงดงามอาการใดก็ตามมันเป็นนี่แหละคือจอมกษัตริย์วาดตาจักแท้ไปอยู่ที่ตรงนั้นจะไปอยู่ที่ตรงไหนก็เธอมันก็คือกี่เลียดอยู่โดยดีฮะแล้วกระสติปัญญาอยู่โดยดีนั่นแหละที่จะต้องทำลายสิ่งเหล่านี้นี่จะนาฟาดเข้าไปจนแตกกระจายหมดไม่มีนะที่นี่ี่เลยีย ไม่มีที่หลบที่ซ่อนแม้ที่สุดเข้าไปอยู่ในจิตใจเรียกว่าอุมโมงค์ใหญ่ของมันซึ่งเป็นที่ทำงานโรงงานใหญ่ของมันถูกพังทลายลงไปด้วยมหาสติมหาปัญญาอย่างทันสมัยที่เหลือพังทลายลงไปแล้วที่นี่เป็นอย่างไรหนักความทุกข์ความลำบาก ที่เคยเป็นมาเพราะความพักเพียงนั้นมีคุณประโยชน์มากขนาดไหนที่นีเอาเความทุกข์อันนี้กับความทุกข์ของกิเลสสร้างมาคุณค่าต่างกันอย่างไรความทุกข์ในการประกอบความพักเพียนแสดงคุณค่าหเห็นธรรมอัจฉรยความทุกข์ที่กิเลสสร้างมาเหล่านั้นมันมีแต่แสดงโทษถหาเห็นมาเป็นประจำหาคุณค่าไม่ได้เลยเราจะเอาทุกทางไหนเป็นกฎเป็นเกณฑ์ เราเชื่อทำพระเจ้าก็เอาทุกในเรื่องความเพียรเอาตายก็ตายไม่ตายให้หรู้นี่จึงเชื่อนักโรคไม่ใช่นักหลบ เ, เอาจริงออกจังมรรคผลนิพพานอยู่ในหัวใจของเราเพราะกิเลสอยู่ในที่นี่เปิดออกหมดแล้วไม่สงสัยสงสัยไปหาอะไรนี่เมื่อกิเลสเท่านั้นพาให้สงสัยอันใดก็ตามแยบออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสเรื่องของกิเลสเมื่อกิเลสหมดไปแล้วมันมีอะไรแยกที่นี่ หมดเครื่องหลอกลวงโดยประการทั้งปวงเหลือแต่เพียงขันห้าแสดงตามอาการมัตนอยู่ดุกกระดิกกะดิกอยู่เหมือนหางยิ่งเหรนขาดเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของตอนกิเลสเป็นเจ้าของนีม่มันทาพัดท า, ภาวเวียนไม่มีหยุดมีถอยเหมือนกังหันพอทำเป็นเจ้าของทำไม่ได้ยึดนี่กิเลสเป็นเจ้าของมันยึดขันมันแบกขันพาให้แบกขันมันจึงหนักทำเป็นเจ้าของ ของขันนี่แล้วทําไม่ยึดขันนี่ถือเพียงขันเป็นเครื่องมือทําประโยชน์อาศัยกันไปเพียงวันอย่างวันหนึ่งเท่านั้นพอถึงการที่ขันจะทนไม่ได้แล้วปล่อยไปเสียตามหลักธรรมชาติเข้าหมดยึดที่พอตัวแล้วก็เป็นธรรมชาติของตัวเองนั่นแหละผลแห่งการปฏิบัติด้วยความเด็ดเดี่ยวอาตารตามหลักประเพณีของพระพุทธเจ้าและผสมสาวที่ท่านผดําเนินมานี่คือ ทางเดิอนอันถูกต้องอันมาบรื่นดินนามอย่าให้ทางใดแยกใดแยะใดทางแท่งใดเข้าแทรกเข้ามาให้หลงให้รุงร่งหลงอย่าตื่นตื่นโลกโลกนี้มีแต่โลกปัจจาอื์ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายเต็มไปทุกแห่งหนตําบลหมู่บ้านมีไปหมดตั้งแต่ปัจจาร์เราชอบนั่งหรือปัจจาอื์ถ้าเราไม่ชอบปัจจา เราอยากจะลบล้างป่ะช้าก็ลบล้างกิเลสตัวนี้ตัวอยู่ในใจนี้ออกให้หมดแล้วมันหมดปัญหาไปเองอยู่ไหนอยู่เธอที่นี่ความทุกข์ที่แสนทรมานมาด้วยความเปลี่ยนของเรานั่นหมดปัญหาไม่ได้ทุกต่อไปอยู่แล้วนี่ลังงานของศาสนามีการจบสิ้นลงได้อย่างนี้เมื่อถึงขั้นสำเร็จโดยสมบูรณ์แล้วรุปสิตางรมจริยางเสร็จงานทุกอย่างบรรดา งานที่ต่อสูอ้กับกิเลสและไม่มีกิเลสตัวใดที่จะแฝงขึ้นมาอืในระมิตรตัวขึ้นมาให้มันหลอกอีก่ั้นใดขัานไม่มีนะอกุปะทำโดยสมบูรณ์ร้อยปงานภายนอกงานโลกงานตรงสารเกิดมาก็าได้ทํางานมาแล้วโดย ด, ดําเนินดําเนจนกระทั่งถึงวันตายไม่ปรากฏว่าคนใดรายใดได้ไดทํางานสิ้นเสร็จสําเร็จแล้วแค่ตายไปมีใหม่ไม่เห็นมีเนื้อ ตายอยู่กับการกับงานตายอยู่กับความห่วงความใหญ่หาความสุขที่ไหนเราอย่าไปว่าคาบว่าคู้นั้นจะมีสุขคนนี้จะมีสุขคนนั่นนั่งมีสีสุขคนนั่นมียศถาบรรดาสัก์สูงเขาคงเขามีหน้ามีตาหน้าของเราก็มีแต่มันก็ไม่พ้นจากทุกข์ท่ากิเลสเหยียบหัวใจอยู่แล้วหน้าใครก็หน้าเธอ วิชาในที่เรียนมาก็เรียนมาเถอะเป็นเครื่องมือของเกเรตให้ทําลายตัวเองและคนอื่นได้เป็นอย่างดีถ้ามันมีทําเป็นเครื่องแทรกหรือเป็นเบรคข้างไว้นี่เราสงสัยที่จรงหนนี่แหละมันราบเหมือนหน้ากลองเป็นอะไรถ้าองก์เกเรตได้เหยียบย่ําหัวใจแล้วมันราบเหมือนหน้ากลองคือเป็นทุกเหมือนกันหมดไม่ว่าคนใหญ่คนโตตามสมมสติประโยชฐานะูุนต่ําขนาดไหนเงินทองเข้าของมีจํานวนมากน้อย นั่นเป็นวัตถุอันหนึ่งๆต่า ง, งหากิเลสมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนั้นมันไม่ได้ไปสนใจกับสิ่งนั้นมันสนใจกับหัวใจคนเท่านั้นเป็นที่เหยียบย่ำทำลายของมันให้พากันรู้ชัดๆวิธีตรงนี้เอาตรงนี้ให้มันแหลกแตกกระจายลงไปแล้วเราไม่ต้องถามเรื่องความถูกความผิเลยเป็นอย่างไรบ้างนิพพานเป็นอย่างไรบ้างออกิเลสตายเรียบลงไปจากจิตใจแล้วเป็นอย่างไรบ้างจิตที่นี่นะ่ะเป็นอิสระหรือไม่อิสระ หายสงสัยนี่ห้อพากันตั้ง อ, อกตั้งใจจิตจัสมเจตนาที่ผมตรุงเทันุ่ยเพื่อนอยาให้เห็นของกระเสริฐเลิ่อเลือ น, นี้เดี๋ยวนี้มันเห็นกิเลสเป็นของเลิ่อเลอือนความที่เกียดที่ค้านมันก็เลิ่อเลอือความอ่อนแอมันก็เลื่อเลือนลาี้เพราะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดความจับสดไม่กินไม่จังละแหละ คนเทนทุกกิ่นทุกอย่างล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลส ม, มันเพลิดเพลินมันชอบมันนักนในสิ่งนี้มันรื่นเริงไปกับสิงนี้โดยไม่ทราบว่าตัวนี้ถูกกิเลสมันจูงจมูกไปทั้งทั้งที่เดินจมกลงนั่นแหละเออกิเลสมันจูงจมูกไปเที่ยวอีทวีตก็ไม่รู้ท่านกลับมาแ ล, ล้วโกยเอาทุกมาเผาหัวใจนั่นแหละนั่งภาวนาอยู่มันก็โกยเอาตั้งแต่ของดีไปกินตับไตใช้ผงอาพูดเป็น แบบวัตถุแล้วไม่มีเหลือนั่งปฏิบัติเราไม่มีตับไตใส่ผงนะพี่เดชเอาไปกินเรียบทั้งๆกินนั่งภาวนานั่นแหละมันมาทํางานแทนอยู่ในตรงนั้นทํำเลยเข้าแทรกไม่ได้ยาให้เป็นเป็นเช่นนั้นมีฤทธูเทศทุกแง่ทุกมุมคนมายาของเก ด, ดเป็นอย่างอย่างเลยนั่งมาพูดให้หมดเพราะได้เคยต่อสู้กันมาแล้วจึงกล้าพูดว่าไม่มีอันใดที่จะแหลมคมยิ่งกว่าพี่เดชในไตรภพนี้ แในขณะเดียวกันไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปราบวิเด็ชจึงให้งานปราบวิเด็ดให้ล่าปลงไปพระพุทธเจ้าปราบวิเดชให้ล่าลงไปด้วยคำสาวกปราบวิเดชให้ล่าลงไปด้วยคำนอกนั้นไม่มีอะไรที่จะวิเด็ดจากกลัวจะพากันเอาจินเอกจากอย่าร้อยเลยให้ยึดหลักไว้การอยู่ด้วยกันไม่เป็นของแน่นอนนะอันนี้จังทุกขังหน้าตาบอก อยู่ทุกขนาดทุกเวล่ำเวลามีการพัดพรากจากกันไปทั้งเป็นทั้งตายเป็นได้ทุกเนี่ยทุกมุมทั่วโลกกันันั้ไม่มีจุดมีดอนที่ตรงไหนละเนี่ยเวลามาฟังครูบาอาจารย์งให้ถึงใจนี่เดี๋ยวมาฟังสัพท์จะเอาชื่อเอานามอันเอาไปจับจ่ายขายกีนี้มีเยอะนะอโลกม้มเหยียบย่างทางนายแฉแหลทําไม่มีหรือในใจเลยเป็นประโยชน์อาะารคนประเภทนั้นข้าประเภทนั้น พราที่เป็นประโยชน์พระที่มีคุณค่าคือพระมีธรรมในใจมีเอา อ, อดไปเธอจนจนไปเธอให้จนแบบพระจนแบบนักธรรมะไม่ตายมีความสุขความสบายภายในจิตใจนั่นเป็นพอบอ่แห่งความสุขจริงๆแล้วอยู่ที่ใจอยากเข้าใจว่าอยู่ที่ไหนอย่าว่าท้าบดอกตอนเอง <c oughs> นีะการแสดงธรรมก็เเหนื่อยแล้วรู้สึกเหนื่อยอปิดซะ้วมัน